ข้อความในทีขนิกายต่อจากครั้งที่แล้วมหาประธานสูตรกล่าวถึงข้อความของข้อความเกี่ยวกับเรื่องของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปสัสสีเมื่อเกบอดกับที่แล้วเนี่ยนะที่พระพุทธเจ้าของเรานั้นตรัสเล่าถึงประกาศถึงว่าพระองค์นั้นมีบเพลนิวาสานสตญาณมียานที่แจ่มแจ้ง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 ศรัทธาเนี่ยนะก็ให้เกิดการปฏิบัติเพื่อความนำออกจากทุกข์พระองค์ก็จะเอามาตรัสเล่าให้ฟังเล่าไปเรื่อยเนี่ยนะจนถึงว่าพระองค์ได้มีปร า, าสาทสามหลังนะแล้วก็หลายร้อยหลายพันปีพระองค์ก็ไปประพาสพระอุทยานไปพบเห็นเทวทูตเห็นเทวทูตที่หนึ่งที่สองที่สามที่4ี่พระองค์ก็ออกพนวด บวชพร้อมกับบรบปรปชิตก็บวชติดตามอีก8 4ด0มสี่ันบำเพ็ญเพียรอยู่นะบวชประมาณสี่เดือนแล้วจึงได้ตรัสรู้เป็นพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัสมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีเมื่อตรัสรู้แล้วก็ประทับอยู่แถวบริเวณโพธิบัลลังประมาณเจสัปดาห์สัปดาห์ที่แดพระองค์ก้อนขวนขวายน้อยน้อมไปเพื่อจะไม่แสดงธรรมนะเท้ทามหาพรหมก็มาอาราธนาะ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 สมุทัยสัตว์ได้บ้างผู้ใดสา ม, มารถที่จะตรัสรู้นิโรสัจจะได้บ้างผู้ใดที่จะปฏิบัติศิขาสามอธิศีลสิกขาอธิจิตสิขาอธิปัญญาศิกขาเพื่อจะได้ตรัสรู้ตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบ้างผู้ใดจะมีศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาบุคคลใดจะเจริญไปด้วย สติประธานสัมมารประธานอิทิบาทอินทรีย์พระพุทธชงและองค์มรก็คือผู้ใดาสามารถกําหนดรู้ทุกได้ผู้ใดาสามารถละสมุ ท, ทยัยผู้ใดาสามารถทําพระนิพพานซึ่งประโยชน์อันสูงสุดให้ประจักษ์แจ้งผู้ใดเนอจะเข้าถึงประโยชน์อันสูงสุดคือพระนิพพานผู้ใดเนอจะรวบรวมโพธิปัจจยธรรมเนื่องจากว่าเขาเหล่านั้นสั่งสมบุญมาดีพอที่จะได้ตรัสรู้ตามพระองค์พอผ์ก็ตรวจสอบดูว่า และบุคคล น, นั้นนะนะพิเศษเลยก็คือว่าตรัสรู้ได้เร็วพลันเอาขอพวกบรรลุเร็วหน่อยนะมานั่งมานั่งบบนั่งอมนั่งนั่งบ่มนะนั่งบ่มกันอยู่นั่นแหละไม่สุขสักทียังก็ไม่ใช่อย่างนั้นเอาพอที่พวกที่จะพอจะตรัสรู้ได้ในขอบ48หน้า44กล่าวว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายครั้งนั้นแหลพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปสัสสีพระองค์ทรงพระดำริว่า เราเนี่ยควรจะแสดงธรรมแก่ใครก่อนเล่าหนอใครนะจะรู้ทั่วถึงธรรมะนี้ได้เร็วพลันทีเดียวไม่ใช่พูดแล้วเขาเข้าใจนะไม่ได้ตรัสรู้รู้ทั่วถึงเนี่ยแปลว่าสามารถทำได้อย่างที่พระองค์สอนจริงๆใครนอสามารถที่จะแทงตลอดอริยสัจอย่างที่พระองค์สอนได้จริงๆสามารถที่จะบรรลุมักผลตามที่พระองค์แนะนำเขาได้จริงๆบุคคลนั้นเนี่ยคือใคร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 คือท่านเหล่านี้พร้อมที่จะเข้าถึงคุณชั้นสูงท่านเหล่านี้ไม่ใช่พวกกลุ่มอนุรักษ์นิยมอนุรักษ์ความรู้สึกนึกคิดเนี่ยนะเคยคิดมายังไงก็จะขอคิดเช่นนั้นตลอดไปบอกหม่ท่านเหล่านี้สนใจว่าถ้าจิตตอนนี้เป็นปริตตะเพิ่มพูนให้เป็นมหคตะเป็นอัปปมานะได้อย่างไรจิตเหล่านี้เป็นมหากุสธรรมยังไงให้เป็นรูปราวจรอรูปราวจรเป็นโล ก, กุตระไปได้อย่างไรเนี่ยนะ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 พระ อ, องค์ก็ตรวจดูว่าสองคนเนี่ยฉายแววดีที่สุดเนี่ยนะในจํานวนผู้ที่พอจะโปรดได้อย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่มีกรุณาต่อสรรพสัตว์หาประมาณไม่ได้แต่ถึงอย่างนั้นพระองค์จะทําอะไรพระองค์อย่างไขครควญตรวจสอบดูก่อนไม่ใช่ว่าโอ้โหเนี่ยบรรลุแล้วนะมามาไปเรื่อะไรนะเดินตั้งแต่สอนตั้งแต่หัวซอยยันท้ายซอยเที่ยวสอนไปหมดอ่ะไม่ใช่อันนั้นมันก็เกินไปอีกนั่นแหละเขาบอกว่าเ า, ามันมีไหมอย่างนี้บอกมีเนี่ยนะ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 พูดอย่างนี้แลเบียดเบียนตัวเองไหมเบียดเบียนผู้อื่นไหมเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายไหมเรื่องที่พูดเนี่ยมันอยู่ในจุดส่วนไหนของคำสอนเก่อนหน้าที่จะถึงเป็นแบบนี้คืออะไรต่อไปหลังจากเนี่ยคืออะไรรู้เลยได้ว่าถ้าเอามงคลสามสิบมาตรวจจับมันอยู่มงคลข้อที่เท่าไหร่ก่อนหน้านั้นมาคืออะไรถัดจากนั้นต่อไปนั้นคืออะไรพลิกกลับมาถ้าตรงกันข้ามนั้นมันคืออะไร แล้วสิ่งเหล่านั้นปฏิบัติได้จริงไหมทําได้จริงไหมมีประโยชน์ไหมเป็นต้นเขาก็ต้องตรวจสอบทั้งหมดก่อนไม่ใช่ว่าไปเรื่อยมิสซ่โอ้จำอะไรได้นี่นี่ห น, น, น, น่อยหก็ว่าละเลงไปเรื่อยเนี่ยนะคนฟงังฟังแล้วงงไปหมดเลยไอ้คนพูดเองก็ฟุง้งซ่านเนี่ยนะพูดจบก็ฟุง้งซ่านทั้งคู่ไปหมดนั่นการพูดเนี่ยต้องสําคัญต้องสําเนียงต้องใส่ใจสําเนียง น, นี่แปลว่าศึกษาแปลว่าหาข้อมูลพีนี้พิจารณาให้ครวนให้ดีก่อน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 นนะการเลนะธรรมสวนาค์การเลนะธรรมสากัดฉาไม่รู้การนะการไหนที่ควรจะฟังการไหนที่ควรจะสนทนาการไหนที่ควรจะพูดพูดแล้วเขาได้รับประโยชน์จริงไหมถ้าเราว่าพูดผิดการหรือพูดผิดบุคคลเนี่ยเสียหายหมดเลยพูดผิดบุคคลเนี่ยนะขอพระโพธิสัตว์เนี่ยเคยในชาดกเรื่องหนึง่งแม้ไปสอนคนพายเรือ พระองค์อร์ท่านฉลาดมากนะท่านเก่งท่านไปเทศอยู่ครั้งหนึ่งให้พระเจ้าให้พระราชาฟังพระราชาเลื่อมใสในคําเทศของท่านมากพระราชาก็เลยถวายบ้านสวยถวายบ้านสวยพร้อมภาสีอากรนโอ้ท่านเทศดีเหลือเกินเนี่ยนะก็ถวายไปเลยเสร็จแล้วท่านก็คิดว่าโอ้ยวาฒะของท่านนี่ดีเยี่ยมท่านก็เลยไปให้คนพายเรือเนี่ยพายกันไปส่งฝากนูน้นบอกโยมช่วยพายเรือไปฟัง่งส่งอาตมาฝากโนู้นหน่อยเถอะ โยมเขาก็ไปอ่าพาไปส่งบอกว่าท่านมีค่าจ้างให้ข้าพระเจ้า ก, ก็พายให้บอกเดี๋ยวจะให้คําเทศเดี๋ยวจะเทศให้ฟังโอท่านไอ้คนพายเรือก็ น, นึกใหม่ไอ้คําเทศนี่มันเยี่ยมมากมันมีราคาตั้งหลายบาทนะ น, นะก็นึกว่ามันเป็นแก้วแหวนเงินทองพอข้ามไปส่งฟังโน้ น, นเนี่ยนะพระโพธิสัตว์ก็เทศให้ฟังบอกเนี่ยเหรอที่บอกว่าที่จะให้บอกใช่บอกไม่เอาจะเอาสตังค์บอกอาตมาไม่มีไม่มีก็รับบาทาไปก็แล้วกันนะนะ พระโพธิสัตว์ก็เลือดอาบปากเลยตรงนั้นแหละอันนี้ในชาดกน้ะมีพระโพธิสัตว์เนี่ยแสดงผิดคนก็เลยมีที่มาบอกว่าพูดให้อีกคนหนึ่งฟังควรฆ่าควรแก่บ้านสวยเป็นตําบลแปลว่าเทศกันนั้นเนี่ยได้เป็นมูลค่าหลายร้อยล้านอย่างนั้นเถอะแต่ไปพูดผิดที่เนี่ยเลือดไหลท่วมปากเลยเอยงนั้นอันนี้เพราะอะไรอันนั้นก็ต้องระวังแทนที่จะได้มิดกลับเป็นศัตรูบางคนเนี่ยเป็นเพื่อนรักกันอยู่ดีๆพอคุยกันไม่กี่ทีทะเลาะกันเลยเนี่ยนะ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 เพื่นไม่มีปัญหาหรอกเพื่นมันก็เป็นอย่างนั้นมันยังค่ํานั่นแหละเหมือนเข้ามาเดินไปสะดุดปูนปอกเนี่ยนะเล็บเนี่ยช้ามาเนี่ยคืเพิ่งหายเย่านี้อันนี้จา่ายค่าโง่ครั้งที่เท่าไหร่ไม่ทราบจําไม่ได้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยไปเดินบินทบาทบ น, บนลาดยางก็เดินไปก็หึหน้าเล็บเนี่ยหลุดหมดเลยโทษทางขี้เกียจยกเท้าก็เดินบินทบาทนะนะเดินลาดยางไม่ได้ใส่รองเท้าเนี่ยโอ้โหเลือดอาบเลย นานกว่าจะหายเจ็บเนี่ยนะไอ้ตรงหน้าหน้าเล็บนั่นแหละเล็บเล็บโป้งเท้า อ, ะอ่ะเจ็บขนาดนั้นเลยเนี่ยก็เออเนี่ยจ่ายค่างโง่ไปนะนี่ก็ทุกอย่างก็เหมือนกันสิ่งที่เราทําคําที่เราพูดเนี่ยมันมีผลไปทุกเรื่องเมื่อมันมีผลไปทุกเรื่องพระพุทธเจ้าจึงแนะนําว่าใคร่ครวญเสียก่อนแล้วค่อยทำเนี่ยนะนีสัมมักการนังเสียโยใคร่ครวญเสียก่อนแล้วค่อยทําเมื่อใคร่ครวญเสร็จแล้วอนนัพิจารณาละเอียดทีท่วนเสร็จแล้วทําอะไรลงไปแล้วจะไม่เสียใจใน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 เราเดือดร้อนใจในภายหลังหรือปลื้มใจในภายหลังถึงเมื่อนึกถึงสิ่งที่ทำไปแล้วเนี่ยนะ